บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าในส่วนของสมถะกรรมฐานนุ่งที่จะให้เกิดความสงบจากนิวรรทังห้าประการ ซึ่งขั้นตอนของความสงบนั้นก็มีความลึกซึ้งลงไปโดยดํามดักแต่ผลจากการประพฤติปฏิบัติก็เพียงแต่ให้เกิดความสงบเพียงชั่วขณะหนึ่งท่านก็เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วยิ่งความสงบลึกซึ้งลงไปโดยดํามดักก็จะกลายเป็นสมาธิในระดับนั้นๆ จนถึงก็เป็นฌานในองค์ที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของวิปัสนากรรมฐานนั้นผู้ในบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่กล่าวโดยสรุปก็คือนามโรคตามความเป็นจริงแต่การรู้เห็นที่เรียกว่าเป็นวิปัสนานั้นผลจากความรู้ความเห็น จะต้องออกมาในรูปของความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือกิเลสประเภทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่เรียกว่าอุปาทานบ้างเรียกญาหะคือความยึดถือบ้างจะต้องเจอจางบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นในระดับใดระดับหนึ่งโดยมีจุดสูงสุดที่ท อาศวิหิจิตานิบิมุติจริงสุติจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมัน่นโดยอุ ป, ปาทานในเรื่องของอุ ป, ปาทานคือสภาพของจิตที่มีความยึดมั่นถึกมัน่นซึ่งได้กล่าวมาในแง่ของกามุ ป, ปาทานและทิฏฐุปาทานคือการยึดมัน่นระนาดของทิฏฐิความคิดเห็น การยึดมั่นเรื่มหน้าทิฏฐิความคิดเห็นนั้นก็เป็นอาการของโมหะปัญญาที่บอกแล้วว่าลักษณะของกิเลสพิงสังเกตว่าในขณะที่อาการอย่างหนึ่งปรากฏนั้นอาการอีกกลุ่มหนึ่งก็พร้อมที่จะปรากฏอย่างเช่นเรายึดมั่นหรือมั่นเรืม่มนนหน้าของทิฏฐิว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นความถูกต้องอย่างนี้เป็นความไม่ถูกต้อง เราก็ต้องการให้คนอื่นยอมรับนับถือความคิดเห็นเหล่านั้นของเราด้วยก็แสดงว่าอาการที่จิตเอื่องไปต้องการให้บุคคลอื่นยอมรับนับถือความเห็นของตนก็เป็นอาการของโลภะแต่ถ้าหากว่าเขาเห็นตามคลอยตามโลภะเราก็เพิ่มขึ้นก็มีความพยายามที่จะแสวยงามแนวร่วมของตนมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าลัทธิทางตนเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิสั่งสอนกลุ่มคนที่มีความเห็นสอดคล้องกับตนจนในที่สุดก็จะกลายเป็นความรื้อรั้นไม่ยอมรับเหตุผลตามความเป็นจริงหรือบางครั้งอาจจะยอมรับแต่เพราะเป็นอาการของโลภะโทสะโมฆะ คนตอนนั้นก็อาจจะเสียดายอะไรห่วงใจผลประโยชน์สถานะตำแหน่งชั้นยศความเคารพนับถือที่ตนได้จากสังคมเป็นยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมละละวางความคิดเห็นผิดของตนเห็นลักษณะเหล่านี้เป็นสังเกตความคิดของท่านสัญชัยปริภาชก จะมีวาทะพูดจาอะไรทับสายจับต้นจนปลายไม่ค่อถูกว่าท่านจะเอาอะไรกันแน่แต่เมื่อการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายในยุคนั้นเมื่อมีคนมาตักเตือนคืออุปติสะกับโกติตะมาตักเตือนท่านท่าก็ยอมรับสถานะของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นผู้ศัสรดีศัตรุชอบโดยพรงเอและสามารถที่จะสอนบุคคลอื่นให้ศัสรุตามด้วยแน่น้นโอกาสนั้นเป็นของท่านแต่วัจจัยของท่านที่มีทิฏฐิคือความดื้อรั้นแล้วก็มีโลภะคือความ ต้องการพอใจยินดีสยบติดเพริดเพรินในสถานะตำแหน่ ง, นงพูดง่ายว่าลาบยศสัเสนสุขที่ท่านมีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นนั้นวันท่านยอมเพื่อผลประโยชน์ที่ท่านจะได้เพียงแท้เดียวในชาติต่อไปท่านจะเป็นยางไรก็เป็นอีกรงหนึ่งคือไม่สนใจ ความคิดในลักษณะ น, นี้ก็คือความคิดของคนบางพวกที่บอกว่าถึงจะช่วเมืองผีก็ขอให้ดีเมืองคนก็นแล้วกันเขาก็พร้อมที่จะหยุดตัวเองหยุดตรงนั้นไม่ยอมเข้าไปฝังธรรมะพิจารณาธรรมะสอบสวนทียบเคียงธรรมะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแม้ลูกสิษ์ของท่น คืออุปติสสะปริภาชกจะครูให้เกิดความสนิกว่าอาจารย์มีหลานี้พระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วในโลกคนเปน็นมากก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้อย่างไรท่านก็มีทางออกของท่านที่มีความสนิทสมผลในส่วนตัวท่านแล้วท่านถามว่าในโลกนี้คนรู่มากหรือคนฉลาดมาก มือปติสสปริภาชคบอกว่าคนโง่ามากคนฉลาดน้อยทาอ่านก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรคนฉลาดฉลาดก็จะไปหาประสบนาโคโดมภูฉลาดคนง่้โง่ก็จะม า, าอาจารย์ซึ่งเป็นคนโงู้ง ผ, ผลประโยชน์ที่ท่านต้องการจากคนง่้ น, นั้นที่จริงแลยเราเป็นของก็คือในกฎของพระไตรลัเป็นการขวอยคว้าสแสวงงามสิ่งที่ไม่ประเสรฐ เพราะไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นยศเป็นสัเสนเซญหรือแม้แต่ความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากราบยศสัเสนเซมเราอยู่ในกฎของไตรักษ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใความแปรปรวนเปลี่ยนแปล ง, ปลงไปเป็นธรรมดาและท่านจะรับความปลื้มใจความดีใจความสุขใจในช่วชีวิตนี้เท่านั้น แล้วหลังกะตาไปแล้วเรื่องก็เป็นไปตามกรรมของท่านซึ่งก็มีโมหปะปะปนอยู่เป็นอันมากลักษณะความเห็นในแนวนี้จึงไป้รรลูกมรดเริงคนไว้เป็นอันมากด้วยผลประโยชน์ต่างๆดิฉันเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีงามแล้วการปากักใจฝังใจของบุคคลที่ยึดติดอยู่ในรูปแบบพิธีกรรมได้อย่างแม ตลอดต้นวิถีชีวิตเด่นไดอย่งหนึ่ ง, งทางด้านที่มีการเสนอแนะสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าสูงกว่าให้ลาภให้ยศให้สุขให้สันเริญที่ประณี ก, กว่าและจะไม่เป็นธาตุรับชายของลาภยศสุขสันเริหดอกนั้นแต่คนบางพวกก็จะไม่พอใจไปยินดีเพะาะลักษณะการทิติดแน่อุปาทาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกางเรื่องความเห็นก็ตามเพิ่งสังเกตว่าคนเหล่านั้นจะอาศัยความจํากัดจํำกีำข่ของความรู้ของท่านแล้วก็เชื่อในตัวเองด้วยความหลงตัวเองปนปรือตัวเองบังลบงโรตัวเองหรืเชื่อมั่นในตัวเองเพราะตัดสินโลกด้วยพื้นฐานความเข้าใจของตัวเอง เพราะในกลุ่มทิฏฐิทั้งหลายที่เรียกว่าทิฏฐิ62ซึ่งพระเจ้าได้รวบรวมแสดงไว้ที่ประมิชาลสุดไปทรงแสดงเห็ น, หนึงที่มาของความเห็นแต่ละสายเพื่อมาก่าวโดยสรุปแล้วก็คือกลุ่มหน่นเป็นเรื่องของคนที่ได้สัมผัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับใดระดับหนึ่ง แล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสุดยอดของเรื่องนั้นแล้วถ้าก็จะปักใจฝังใจเชื่อมั่นว่านั่นคือความถูกต้องเช่งความเชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกจะเรียกชื่อว่าฒน์มมันเรียกชื่อปรมาตมันเรียกชื่อมาตมันเรียกชื่ออะไรก็ได้เป็นทิงสูงสุดเป็นที่มาของสรรพสิง่ง ก็เกิดขึ้นจากความรู้ที่จํากัดจำเกียร์เป็นเรื่องของปุเพนิวาสานติญาณคือการอนุรักษ์ได้เหมือนการอนุรักษไปไกลมากกว่าสมควรแต่สังสารวัตรที่จริงแล้วไม่มีเงื่อนตนไม่มีที่สุดมันมีจะมีลักษณะหมุนกันไปกิเลสกรรมไม่บากหมุนกันไปเรื่อยๆวาะจะจบไม่ได้ตราบเท้าที่ยังมีการหมุนอยู่ ขาความเห็นของท่านถ้ามองจากระดับหนึ่งก็ถูกระดับนั้นแต่ถ้ามองให้ตลอดแล้วจะเห็นว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะจริงๆแล้วแม้นะแต่สิ่งที่ท่านคิดว่าสูงสุดเองมันก็เกิดมาจากเขตอย่างมหาพรหมที่ท่านถือว่าเป็นอธิปีของโลกเป็นผู้ใหญ่ในโลกมันเกิดขึ้นจาก การมาเป็นเพียงทางจิตจนบรรลุฌานดำหลักของสมถกรรมฐานเพียงแต่ว่าฌานของท่านนั้นประณีตทําให้ภพชาติของท่านมีความประณีตอายุอันเป็นชิพก็ยืนกว่าคนธรรมดาหรือพรหธรรมดาก็พราะทำให้พรหซึ่งไปเกิดในที่นั้นและจุติในโลกมนุษย์ระลึกชาติได้ในตอนหลังแต่ความจํากัดของการอะลึกชาติ ท่านก็ไปติดอยู่แค่ตัวมันเองความเห็โนโลกทิ้งจึงเกิดขึ้นโดยวิธีนี้อีกคนกลุม่มหนึ่งนั้นอาจจะอาศัยการบอกเล่าของบุคคลทั้งหลายแล้วก็ปักใจฝังใจเชื่อถือให้ความสำคัญแก่ที่มาของความเห็นเหล่านั้นว่าควรแก่การเคารพเชื่อถือ แลาจะไม่มองในประเด็นที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตัวเองไอไม่ยอมรับฟังลักษณะความเห็นดอรันแนวนี้ก็ดูไม่ง่ายใกล้ๆกับพ่อแม่ที่หลงลูกตัวเองหรือว่าลูกตัวเองดีวิเศษเป็นเด็กเรียบร้อยสงบสิงเงียมไม่ไปทะเลาะวิวาดกับใครๆ พอครูมาบอกว่าลูกไปทําซั่วทําผิดดัง น, นั้นอย่างนี้ในความยุติธรรมคุณแม่ที่มีอยู่ภายในใจนั่นเองก็จะเอาปกป้องลูกทันทีทันใดลูกฉันเรียบร้อยลูกฉันไม่เกะ ก, กะลูกฉันไม่ทะเลาะ ก, กับใครลูกฉันไม่เคยมีประวัติเสียหายก็แล้วแต่จะปรุงแต่งให้สวยที่สุดฝ่ายห น, ยนึ่งพยายามจะชี้แจงจะไม่ยอมฟังคุณไม่ต้องพูดฉันรู้จักลูกของฉันดีก็แล้วแต่จะใช้บริหารไป นันคือลักษณะของทิฏฐิความรื่นร้นแต่อย่าลืมว่าเป็นอาการสองอาการคือรูปนั้นเป็นวัตุกรรมมันก็กลายเป็นกาโมปาทานเป็นฉันทากติสี่ลำเอียงพรารักใคร่กันยึดติดนานไปนานไปมันก็กลายเป็นทิฏฐุปาทานคือถือมั่นในความคิดเห็นของตัวเองและจะไม่ยอมมองเหตุผลข้อเท็จจริงที่มีการบอกกล่าว ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงการกระทําความผิดของรูปนั้นทําในที่อื่นคนอื่นเป็นคนเห็นคนอื่นเป็นคนเสียหายแม่ไม่ได้พบได้เหตุอยู่ในที่นั้นแต่ลักษณะของที่ถูกปาฏิานิย์คือเพีว่าในทิฏฐิความเห็นของต้นจึงถือว่ารูปของต้นดีอย่างเดียวอัตติมันก็พร้อมที่จะออกมาทุกเรื่อง ออกมาในชั้นทาคติก็ได้ออกมาโทสาคติคือําเบียงเพราะไม่ชอบกันก็ได้ออกมาเป็นพยาคติตัวลูกจะเสียใจกลัวจะน้ อ, อยใจเป็นต้นก็ได้แต่นั้นคือจริงๆแล้วมันเกิดจากโมหะคือความไม่มีผลความรู้ไม่มรมจริงของบุคคลตอนนั้นพิธีในแนวต่างๆจึงเกิดขึ้นเป็นันมากบางคนเป็นพวกนักเดา คือคาดเดาว อ, อแต่คาดเดานั้นแกก็ต้องมีที่ไปที่มาของความผิดในอย่างไดซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องเบาบๆไม่ถึงจะเสียหายรุนแรงแต่จะไม่มีการยองกันทุกคนเชื่อถือว่าตัวเองนั้นมีความถูกต้องนั้นเหมือนกับราชกุมารในสมัยพุทธกาลสามท่าน ท่านอนุ ร, รดท่านปฏิยะทันปะกุพูดกันถึงที่ทมาของข้าวที่เราประทานกันจุว่าข้าวนี้มาจากไหนท่านเหล่านี้เรียกว่าเป็นสุคุ ม, มาละชาติไม่เคยทํานาใครเคยเห็นก็ทํานาก็อยู่แต่ในร้วในหวังเคยใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นที่ยึดถือก็หนึ่งบอกว่าข้าวมันเกิดในลาน ก็เห็นตอนเขาเอาข้าวลงหลานคนหนึงบอกไม่ใช่หรอกคนเข้าใจผิดข้าวมันเกิดมาจากหม้อที่หุงข้าวอนุรุธไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปกันใหญ่บอกว่าจริงๆแล้วข้าวไม่ได้เกิดจากหม้อไม่ได้เกิดจากหลานมันเกิดจากภาชนะทองคําคือถาดทองคําหรือจะเน้นตอนกินข้าวต่นนั้น นี่คือการตัดสินใจเอาจากจุดที่ตัวเองสัมผัสได้และจะไม่ยอมรับในจุดอื่นที่คนอื่นก็สัมผัสไาเหมือนกันเมื่การทะเลาะการประทิธิ์มันก็เกิดขึ้นตอนน้องกับตาบอดขำจางอย่างทีทราบกันนั่นก็คือความเห็นที่อาศัยจุดสัมผัสของตัวเองแล้วปฏิเสธคนอื่น จนถึงกความเห็นบางอย่างพิพิจารณาทรงสแสดงอยู่สเสมอก็คือทิฏฐิสิทธ์ถือว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลที่นี้การพยายามไม่มองในส่วนที่เป็นผลดีงามเป็นความสุขใจเป็นความสงบใจเป็นการสมานสามาัคคีกัน เป็นการรำลึกถึงคุณความดีของท่านที่เราให้ทานที่อันที่เราบูชาแล้ะท่านที่เราประกอบพิธีกรรมต่างๆือบูชาท่านแล้ะสิ่งที่ง่ายยิ่งไปกว่านั้นเึ่งการปฏิเสธว่าแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโรกหน้าไม่มีเอาแหละโลกหน้านั้นพอทาํานาแต่พ่อแม่ไม่มีคุณนี่คิดไม่ได้จะหรือว่าถ้ามีคุณยังไง แล้วก็โลกนี้ไม่มีหละเราอยู่ที่ไหนทีนี้การน้ำพั์ดีทำชั่วของบุคคลเราก็สัมผัสผลทั้งสองอย่างสัมผัสกันในชีวิตประจำวันแต่ลักษณะเหล่านี้แหละที่ทำให้คนไปมองที่ดวงที่ปัจจัยภายนอกตอนนี้ดวงไม่ดีเลยถูกคุณพ่อคุณแม่ดูบ่อยดวงไม่ดีผู้บังคับบั ญ, ญชาตาหนิอยู่เรื่ วันนั้นก็ดวงดีเป็นที่โปรดปรานของพ่อแม่ของผู้บังคับบัญช า, นนาในที่สุดเราอยู่ในนอกหมืองทยทางทางที่ผนเหล่านั้นเกิดแก่เราวรเหตุผลตัวเองก็ควรจะมาจากเราแต่เพราะว่าความดื้อรั้นคือสื่อรั้นไม่ได้มองให้เชื่อมต่อกันที่จริงก็มองง่ายนะอย่างแนวที่พระเจ้าทรงสอน เมื่อบุคคลปลูกพืชชนิดใดนชนิดหนึ่งก็จะได้ผลของพืชชนิดนั้นเทียบยคียงกันว่าคนทําความดีเขาก็ได้ผลดีคนทําความชั่วก็ได้ผลชั่วก็เห็นกันแต่ละแต่คนประเภทนี้จะไม่คิดและในสุดก็จะปฏิเสธปฏิเสธเลยเถิดไปจนถึงพระพุทธเจ้าเพราะท่าน รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามไม่มีไปเสร็จพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายจนถึงกับปฏิเสธโอปปาจิกะคือเป็นชีวิตที่เราสัมผัสได้ด้วยมิติหนึ่งคืออาศัยที่เปจกักษุหรือท่านแสดงตนเองให้ปรากฏกับเราต่อเราพรเจ้าพระหันทั้งหลายท่านพบ อาทิศสมานากายหรือโอปปาติกะเหล่านี้เมื่อท่านได้ที่ปจักสูตรแล้วมันจะพบเห็นกันมาก่อนแต่เพราะความรื้อรันของบุคคลเนี่ยเปฏิเสธไปหมดดัง น, นั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงประสูตรบางประสูตรเช่นอัปปนาคสูตรประสูตรตที่ว่าโดยการประพฤติไม่ผิด เพีงที่เห็นว่าทั้งสิอย่างเนี้มีอยู่จึงทั้งนั้นวันใครเห็นว่าไม่มีก็เป็นความเห็นผิดใครคิดว่าว่าไม่มีก็เป็นความคิดผิดใครพูดว่าไม่มีก็เป็นวาจาผิดใครไปบอกกล่าวชี้แจงแนะนําสั่งสอนบุคคลอื่นใเห็นตามคล้อยตามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่ว่ามีวาทะคือถ้อยคําเป็นข้าศึกต่อประหารทั้งหลายในโลก จะต้องประสบบาปรกรรมเป็นดันมากไม่จะประสบเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแต่จะต้องประสบในภายภาคหน้าด้วยและจากจุดของความคิดเห็นเหล่านี้เองที่ขึ้นไปสู่กระแสของตัณหาตัณหานั้นมาจากทิฏฐิแล้วก็มาจากมิจฉาทิฏฐิด้วย นันคือการมตาตหาพภาวะตหาที่บุคคลขวายคว้าอยากได้อยากมีอยากเป็นกันด้วยวิธีการต่างๆให้เราสังเกตว่าสิ่งนั้นที่จริงแล้วตกอยู่ในกฎของประัยรลักษณ์ทั้งหมดคือไม่เที่ยงเป็นทุกเวนาตาทั้งหมดดิฉันสรุปรวมเป็นโลกธรรมทังกล่าวราบยอดสนเสริญสุขหรือเสริมรับเสริญยอดิงต า, งงง ท, าทุกขตามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในเหตุปัจจัยของเขา แต่วพราคนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะดำรงคงอยู่คู่กับตนตลอดกาลขน้นหรือตนสามารถจะบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตลอดไปจึงได้เกิดความปักใจฝังใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงแท้จึงมีการคอยคว้าปรารถนากันมาด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็เห็นกันดูว่าสิ่งนั้นมีความแป ร, ปรเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันทุกขณะ แต่พราใจมันปะว่าเป็นของเจียมแจ๋เลยไนมะ่ยอมมองในแง่อื่นๆอื่นเห็นการขวายวาท่นลดตำแหน่งหรือการนันดรักต่างๆที่มีปรากฏอยู่แพร่หลายไ้นหห็นแต่เรามองใ้ดีชนตำแหน่งของประธานาธิบดีในขณะที่มเมืองกำลังดิน้นรนเพื่อสมัครเปนประธานาธิบดีกันอยู่เอวนมีเมืองประธานาธิบดีตายในวันมือเมืองประทัด ถ า, าประธานาธิสาีก็ฏิบัติงานแข็งแคร่อีกบ้านหนึ่งหนึ่งประธานาธิบดีก็ถูกสำเร็จโทษอีกบ้านหนึ่งหนึ่งประธานาธิบดีกำลังถูกขับไล่อีกบ้านหนึ่งหนึ่งประธานาธิ บ, บ, บนนาาดีอาจจะติดคุกอยู่เป็นต้นคือน่าจะมองว่าไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่เที่องแพแน่นอนแต่เพราะความเปลี่ยนผิดท่านก็ไม่ยอมมองในจุดนั้น หรการของวิภว ะ, ะตัณหามันก็เกิดจากทิฐิที่เราเรียกว่าอุจจาระจิคือถือว่าสิ่งบางอย่สามารถจะให้ขาดศูนย์ไม่ตามที่ตัวต้องการได้มันไม่ชอบอะไรก็ปฏิเส ธ, ธไปเลยเพราะม่ไจะเป็นไปตามที่ตัวต้องการก็อาจจะใช้วิธีการรุนแรงต่างๆอย่างถึงทำลายอย่างถึงฆ่าจะเป็นใช้กองทัพไปล้างผลาญกันนั่นก็คือเพ่ิงที่เกิดมาจากความเขียนผิดเพราะความยึดมั่นถึงมั่นในแนวนี้ตราบ ใจที่เขายังมีอยู่แบบนั้นเขาจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนแล้วไม่ใช่สนับสนุนทั้งเฉพาะจิตวปุปาทานคือการยึดมั่นถือมันเลทิเดิแต่จะไปสนับสนุนในสายของกามวิปปาทานคือยึดมันม่นถือมันดรื่นาความใคร่บางสิ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากการนตัณหาแล้วก็วัตถันหาเป็นคขงขายยงใหญ่ที่เชื่อมจิตต่อกัน เันบุคคลจะต้องมองและเห็นกลุ่มความเห็นเหล่านี้หรืออุปาทานเหล่านี้ว่าเป็นความมีโทษแล้วเป็นกลุ่มปะหาตปฏิธรรมคือกลุ่มที่จะต้องพยายามลดละแน่นอนใเนเึงปฏิบัติจริงๆนั้นพระเจ้าทรงสอนในเรื่องของการถ่ายถอนปัญหาและอุปาทานออกไปแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆเพราะาการใช้ความเพียนพยายามที่จะลดความรุนแรงของความยึดมันม่นถือมั่น แ่ะสิ่งต่างๆแล้วโดยพยายามมองในแง่ของเหตุผลความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่ควรแก่กันยึดมั่นถือมัน่นหรือแม้จะยึดมั่นถือมั่นหรือป่าแต่ควรจะปรับใจใยอมรับความจริงเมื่อสิ่งเหล่านั้นแสดงความจริงออกมาเช่นสิ่งเหล่านั้นตายคนเหล่านั้นตายเรต้องรู้เท่าทันดังความเป็นจริงปรับใจให้ทันว่า คนที่ต้องตายเป็นธรรมดาก็ได้ตายไปแล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นก็นึกได้ทันทีว่าคนที่ย่อมเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็เจ็บไข้ไปแล้วพอมีกา ร, รพราดสูญเสียจนถึงก็ล้มตายก็มองได้ทันทีว่าสัตว์ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ได้ตายไปแล้ว คนสัตว์สินของที่จะต้องพรัดพรากจากกันไปตามธรรมดาก็ได้พรัดพรากจากไปแล้วเราสามารถทำใจก็ร้อยสงบอยู่ท่ามกลางความสับสนว่าวุ่นต่างๆเอาไปได้แม้แต่เรื่องของความทุกข์ที่เราสวดสาทยายกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ความทุกข์มันก็มีลักษณะอย่างนี้นให้เราสังเกว่าแม้ความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราปล่อยวางจะได้มันก็ไม่หนักอะไรเท่าไหร่เช่นเามองในนี้นดีเนี่ยเอ้ยแก่แล้วก็ดีเหมือนกันนะจะได้ทําตัวเป็นที่หน่าเคารพนับถือของลูกของหลานเออก็เจ็บไข้ได้ปวดก็ดีเหมือนกันก็ได้นอนพักผ่อนได้ดูทุกเวทนาที่บังเกิดขึ้นตรวจดูซิไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือไม่ต่อความตายเกิดขึ้นจากแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นมาก็ดีเหมือนกันพอแม่ท่านได้ตายไปก่อนเราได้ทํำศพไปแก่ท่านได้ทําหน้าที่ของลูกครบสมบูรณ์เมื่อท่านตายไปแล้วก็ทําบุญปฏิบกุศลส่งไปให้ท่านมันความคิดในแนวนี้ก็ ช่วยให้ปรับตัวเองอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าคนเราไปยึดมั่นถึงมั่นไว้โดยทิฏฐิต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นจะเลือกได้ตามที่เราหวังพดยเจ้าได้เคยแสดงเอาไว้ว่าคนเราถ้าเลือกได้อะไรตามที่หวังโลกมันก็ไม่จาเป็นจะต้องมีแต่ว่าบุคคลจะหวังอะไรก็ต้องมองถึงความเป็นไปได้ วความแก่เจ็บตายกันได้ซึ่งถือเป็นสภาวะวัตถุนั้นไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเกิดได้ตั้งแต่ที่เกิดมาก็าต้องไหลสู่กระแสของความแก่เจ็บตายแต่ความสุข ค, ความทุกขรในลำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจนั้นเป็นเรื่องของเราเองเพราะวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขนั้นไม่รักไม่ใชลักษณะสากลคือผิดกระเพืสภาวะ อ ย, อยู่ท่ามกลางแสงแดดด้วยกันมัน ก, ก็ร้อนด้วยกันอยู่ท่ามกลางความหนาวด้วยกันมัน ก, ก็หนาวได้กันแต่การประสบกับอารมณ์การพลัดพรากสูญเสียนั้นแม้จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็เศร้าโศกแต่เราเองก็ไม่จําเป็นจะต้องเศร้าโศกตามเข้าไปเพราะลักษณะอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นจากจิตที่ไปยึดมันม่นถือมั่นต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างโน้น ผมไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดความโศกความรับใยดำพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจเพราะนั้นถ้าหากว่าเราบรรเทากระแสของอุปทานลงไปแม้แต่คนที่รั ก, รกพลราดจากไปหรือคนที่ไม่รักเราต้องมาอยู่ร่วมกับบุคคลเหล่า น, นั้นเราแยกจิตใจของเราออกจากความรู้สึกรักสั่งไปได้แต่คนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานต่าง กไปคนเหล่นั้นไม่ได้มาเดินไปเหยียบเราไปหรือว่าข้ามคอเราไปหรือว่านั่งบนเราเรื่องมันไม่น่าจะหนักอะไรเลยเพียงแต่เราไปดึงเข้ามาคิดมาคิดปรุงแล้วทำให้ใจมันหนักกันนันเองหลัการศึกษาพิจารณาในเรื่องเหล่นี้แล้วพยายามถ่ายถอนอความยึดมั่นหรือมั่นตรงไปเป็นวิสัยที่วิญญูณชนทาได้ และทำได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อโดยไม่จาเป็นว่าจะต้องนั่งบเพ็งสมาธิกรรมฐ า, านเสมอไปแม้ในที่ทั่วไปบุคคลก็สามารถ ป, รปฏิบัติได้แต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป